มทที่ยี่สิบสองแผ่นทองในกรองงาเมื่อกลับสู่ห้องแล้วเวทิสาทิดาแห่งเศรษฐีเมืองเวทิตก็ไม่ได้เป็นอันทําอะไรให้ถูกต้องได้จะนั่งจะยืนหรือเดินก็ไม่เป็นสุขไปเสียหมด เธอนึกถึงแต่คำพูดของคนเลี้ยงนกยูงแล้วให้อัดอั้นตันใจทำไมเธอจึงต้องทนให้คนคนนี้พูดจาถากถางเอาได้ตามสบายเรื่องการโต้อตอบจนเสียจรรยายแห่งกุลสตรีเป็นเรื่องเหลือวิสัยที่เธอจะทำได้เธอไม่เคยและไม่เห็นดีเห็นงามที่จะทำแต่ดูเหมือนจะมีเหตุอะไรที่เร้นลับอยู่เธอรู้สึกเหมือนคนคนนี้มีอานาจ มีลักษณะหน้าเกรงขามอย่างบอกไม่ถูกเขาบอกว่าเมื่ออยู่บ้านเคยทำสวนไม่น่าเชื่อบิดาของเธอเองด้วยซ้ำไปทั้งที่เป็นมหาเศรษฐีแห่งเมืองเวททิศมีคนรู้จักกันทั้งเมืองมีคนในบังคับบัญชาและข้าทาสบริวารมากลายยังมีลักษณะหน้าเกรงขามน้อยกว่าชายหนุ่มเลี้ยงนกยูงคนนั้นเพื่อนเขาอีกเล่า เมื่อแน่ใจว่ารับสายตาคนดูอ่อนน้อมต่อเข้าจนผิดวิสัยคนที่อยู่ในฐานะเพื่อนเนื่องจากมีบูรภูปนิสัยที่เคยสร้างสมกันมาหรือบุเพสนิวาดคอยกระตุ้นเตือนเวทิสาจึงมีใจจดจ่อต่อชายนมเลี้ยงนกอยู่จนสุดจะห้ามหักได้แต่เพราะความละอายประจำเพศสตรีดอก เธอจึงสงวนท่าทีให้สมศักต์ตัวส่วนอโศกเมื่อเวทีสาคล้อยไปแล้วก็รีบกลับสู่ห้องตัวเช่นเดียวกันทอดกายลงบนเตียงน้อยตรองหาอุบายอยู่ว่าจะทำประการใดจะให้ปัญหารักนี้ลงเอยด้วยดีอย่างรวดเร็วเพราะรัชการข้างหน้ายังมีอยู่จะมัวสารวนอยู่กับเรื่องนี้นานเกินไปก็จะเสียการ ก็พอดีสีครินมหาปรารบเรื่องข้อหนักใจที่มาเสียเวลาอยู่ที่บ้านเศรษฐีหลายวันตรงกับที่อโศกคิดอยู่หม่อมั่นว่าเปิดเผยความจริงเสียก็หมดเรื่องสีครินทูลคอยอีกสองสามวันเถอะสีครินอย่าใจร้อนนักอโศกพูดกําลังตรึกตรองหาอุบายอยู่เหมือนกันเราได้ถลําเข้ามาแบบนี้เสียแล้ว จะเปิดเผยความจริงก็ดูไม่ค่อยเหมาะบางทีเหตุการณ์อาจช่วยเราก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งศรีครินเสนอคือไปอุจเฉนีซะเลยเมื่อรับตำแหน่งอุปราชผู้ครองนครแล้วค่อยส่งสารมาสู่ขอต่อท่านเศรษฐีตื่นเต้นดีเหมือนกันจัดขบวนสวยงามมารับทิดาเศรษฐีนั่นเป็นวิธีสุดท้ายเคยคิดเหมือนกัน แต่เกรงเศรษฐีจะไม่สบายใจเมื่อรู้เรื่องเข้าไปาหลังแล้วจะทำอย่างไรสีขรินทูลอย่างอึดอัดเหตุการณ์อาจจะช่วยเราอีกสองสามวันถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะต้องทำตามวิธีสุดท้ายอาโศกพูดและในที่สุดเหตุการณ์ก็ช่วยเขาวันหนึ่งอโศกได้ยินคนรับใช้ในบ้านเศรษฐีหลายคนพูดกันถึง เรื่องพ่อค้ามา้านาม้ามาขายเวลานั้นพักอยู่ที่ดงมะม่วงชื่ออโศกได้พบเวทิสาเวลานั้นพักอยู่ที่ดงมะม่วงซึ่งอโศกได้พบเวทิสาโอรสแห่งพระนางวิมังสาเทวีพร้อมด้วยสหายคู่ใจออกไปชมมา้าถ้าได้ที่ถูกใจจะขอแลกกับม้าของตนแต่ความจริงอยากออกไปเที่ยวมากกว่า และถือโอกาสชมม้าเสียด้วยเขาออกไปตั้งแต่เที่ยงวันนึกว่าจะไปกันเรื่อยๆพอเหนื่อยแล้วจึงค่อยกลับสีครินเองก็อยากออกเต็มป่าดาแต่เมื่องานของนายยังไม่เสร็จก็ต้องร่วมมือกันแสดงละครบทพื้นโลกต่อไปบ่ายวันนั้นสาวใช้ประจำตัวที่ดาเศรษฐีไปสวนดอกไม้ เพื่อเก็บดอกมะลิมาร้อยพวงมาลัยบูชาเทวรูปตามคำสั่งของนายสาวขากลับเดินผ่านมาทางเรือนพักของคนทาสวนและคนเลี้ยงนกยูงเธอประหลาดใจเป็นอันมากเมื่อผ่านมาเห็นห้องห้องหนึ่งเปิดอ้าอยู่เธอจำได้ว่าห้องนั้นเป็นห้องของคนเลี้ยงนกยูงคนใหม่มองเข้าไปในห้องเห็นคนทาสวนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสนิทของหัวหน้าคนสวน กำลังลือของง่วนอยู่มีหลายชิ้นกระจุยกระจายอยู่บนพื้นห้องคนสวนคนนั้นมีกิริยาท่าทางรุกรนผิดสังเกตจึงเดินเข้าไปยืนหน้าห้องถามว่าเขตทำอะไรนี่ไม่ใช่ห้องของเธอไม่ใช่หรือนายเขตเลียวมาดูเห็นสาวใช้คนสนิทแห่งเวทีสาแม้จะเป็นคนใช้ด้วยกัน แต่เมื่อพูดไปแล้วสาวใช้ประจำตัวของทิดาเศรษฐีก็เป็นที่เกรงขางของคนอื่นๆอยู่นายเขตไม่ได้พูดอะไรตรีตาลานออกจากห้องไปปทุมายเห็นของเกลื่อนแต่ไม่กล้าเข้าไปในห้องส่วนตัวของชายหนุ่มงับประตูไว้ แล้วก็รีบเดินบ้างวิ่งบ้างไปบอกนายสาวแห่งตนเวทิสาทราบเรื่องร้อนใจยิ่งนักคนสวนของตนจะทำเสียชื่อเสียงแห่งตระกูลเวทมาน ก, กะจึงเร่งให้ปธุมมาไปเรียนให้บิดาทราบนางคิดอยู่ว่าเรื่องนี้น่าจะมีเบื้องหลังอะไรสักอย่างหนึ่งโดยธรรมดาไม่เคยปรากฏว่ามีขโมยในบริเวณเขาลือหาดของเธอท่านเศรษฐีทราบความแล้วไม่นิ่งนอนใจ ตามลักษณะแห่งหัวหน้าคนที่ดีรีบลงไปที่เรือนคนสวนบอกสาวใช้ให้ตามที่ดาสาวลงไปด้วยเศรษฐีและปทุมมาเข้าไปในห้องของคนเลี้ยงนกยุงคนใหม่ส่วนเวทีสานั้นยืนอยู่หน้าห้องเศรษฐีให้ปทุมมาเก็บของที่กระจวยกระจาอยู่รวมไว้เป็นแห่งหนึง่งทันใดนั้นเศรษฐีเหลือบเห็นกล่องงาทําลวดลายวิจิตสองกล่อง จึงหยิบขึ้นมาพิจารณาดูเมื่อถอดออกจึงเห็นแผ่นทองคำบางบางม้วนอยู่เศรษฐีดึงแผ่นทองคำออกมาตกตะลึงในตาเบิกกว้างเพราะมีข้อความจาลึกที่ท่านคาดไม่ถึงข้อความในแผ่นทองคำเป็นดังนี้เราพินทุสารผู้กรองอาณาจักรมคตอันเกรียงไกรมีอาณาเขตไพศาลขอแต่งอโศกมหาราชบุตร เป็นผู้ครองนคร อ, อันมีนามว่าอุเฉนีราชธานีแห่งแคว้นอวันตีรัฐซึ่งอยู่ภายใต้บารมีแห่งเราให้อโศกราชบุตรจงปกครองไพรไ่ฟ้าโดยธรรมข่มคนที่ควรขม่มยกย่องคนที่ควรยกย่องและให้ประชาชนทั่วแคว้นอวันตีจงอยู่ในโอวาทแห่งราชบุตรของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อีกกล่องหนึ่งเป็นงาสลักเหมือนกันเมื่อถอดออกดูปรากฏเป็นแผ่นเงินมีอักษรจารึกดังนี้เราพินทุศานผู้ครองอาณาจักรมคตอันเกรียงไกรมีอนณาเขตภายสารขอแต่งตั้งศีครินบุตรแห่งอมาตย์เมืองปตาตลีบุตรเป็นมหาอมาตย์แห่งนครอุตเชนีเป็นที่ปรึกษาราชการโดยทั่วไปแห่งอโศกราชบุตร ให้มหาอามาตย์แห่งอุทเชนีจงเว้นสิ่งที่ควรเว้นประพติสิ่งที่ควรประพติดำรงมั่นอยู่ในธรรมและให้ความร่มเย็นแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินตลอดกาลทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพินทุสารแห่งโมริยะวงเศธทีวเรียกเวทิสาเข้าไปในห้องส่งพระราชสารประทับราชบรญยการให้ธิดาดู ครูหนึ่งจึงโอบไหลที่ดาพลางกล่าวว่าลูกรักเป็นมงคลแห่งคลือหัดของเราอย่างเหลือลน้นที่พระราชบุตรแห่งพระเจ้าพินทุสารราชาแห่งแคว้นมคตนี้ย่างพระยุคลบาดเข้ามาพร้อมด้วยมหาอมาตย์แห่งนครอุตเชนีต่อไปนี้เราจะต้องปฏิบัติต่อพระราชบุตรอีกทานองหนึ่งตามพระราชนิยม และแล้วเศรษฐีก็จุ่มพิษที่เรือนเกษาแห่งที่ดาตนเพียงแผ่วเบาพลางพูดว่าลูกรักพ่อพอจะรู้แล้วว่าราชบุตรเสด็จมาที่นี่โดยทำนองนี้ด้วยจุดประสงค์อันใดพ่อขอแสดงความยินดีกับลูกด้วยเวทีษานั้นมีความนิยมในพระราชบุตรเป็นทุนอยู่แล้วเมื่อได้ฟังบิดาพูดดังนั้นก็เอียงอายอยู่ตามวิสัยแห่งกุลสตรี จึงยืนก้มหน้านิ่งไม่ได้พูดคำใดเศรษฐีชวนทิดาตนกลับสู่ห้องแห่งปราศาสตให้เรียกนายเขตคนสวนมาสอบถามว่าเหตุใดจึงล่วงล้ำไปในห้องคนเลี้ยงนกยุงคนใหม่กระผมเกลียดเขานายเขตตอบแกเกลียดเขาเรื่องอะไรเศรษฐีถามเขามีฐานะเป็นคนเลี้ยงนกยูงแต่ไม่ได้แสดงอาการคารวะแก่นายสาวของกระผมเลย จะนั่งจะยืนหรือจะสนทนาก็ดูเหมือนขาดความยำเกรงผิดวิสัยบ่าวที่จะพึงปฏิบัติต่อนายแล้วเรื่องอะไรของแกเศรษฐีซักกระผมเคารพเทิดทูลนายสาวเพียงไรก็ไม่อยากเห็นใครมาตีตนเสมอด้วยนายสาวเพียงนั้นกระผมเห็นเป็นการผิดประเพณีบ้านของเรากระผมทําด้วยความจงรักภักดีแต่ แกจงรักพักดีไม่ถูกเรื่องเสียเลยถ้าใครทําให้แกไม่ชอบเพราะไม่เคารพนายแกแกจะต้องขโมยของเขาอย่างนั้นหรือกระผมไม่ต้องการเอาของเขาเพราะอยากได้ของเขาแต่กระผมต้องการให้มันเดือดร้อนอยู่ไม่ได้จะได้ไปเสียเองแกคิดสั้นเกินไปแกเจตนาทําดีกับนายแต่แกทําเหมือนเอาความชั่วร้ายมาป้ายสีให้นาย เขาเป็นคนต่างเมืองบากหน้ามาอาศัยเพียงชั่วคราวถ้าของเขาหายเขาจะไม่เอาไปโฆษณาในที่ต่างๆว่าบ้านของเวทมามนกมหาเศรษฐีเมืองเวทิตเต็มไปได้วยขโมยล้ะหรือแต่กระผมยืนยันว่า กระผมทำด้วยความจงรักภักดีต่อนายซึ่งกระผมรักและบูชาแต่เธอต้องทำให้ถูกเรื่องการทำดีต่อนายหรือต่อใครใคก็ตามต้องทำด้วยความฉลาดจึงจะได้รับผลดีแกทาอย่างนี้เป็นการลงโทษนายทางอ้อมรู้หรือเปล่าแกอ้างเอาความจงรักภักดีเราเห็นด้วยว่าความจงรักภักดีนั้นเป็นคุณธรรมสาคัญอย่างหนึง่ง แต่ความจงรักภักดีนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องทำความผิดกระผมทำเพื่อนายแต่นายไม่เห็นเจตนาดีของกระผมผมก็เสียใจมากนายเขตพูดอย่างน้อยใจฉันบอกแกแล้วว่าการทำความดีไม่ว่าทำเพื่อนายหรือเพื่อใครต้องทำให้ถูกด้วยการทำความดีแต่ทำผิดก็ใช้ไม่ได้ และจะไม่มีนายที่ยุติธรรมคนไหนยินดีเมื่อคนของตนไปทําผิดโดยอ้างว่าทาเพื่อนายตนถ้าแกไปเจอนายที่ชอบให้คนของตนทําผิดเพื่อตัวเองแล้วไม่นานนักนายของแกและตัวแกเองจะต้องพินาศล่มจมนายคนนั้นมีฐานะอย่างกระผมไม่เห็นจะวิเศษอะไรน่ายเข็ดถลายไปเรื่องอื่น เมื่อแกรู้ว่าเขาไม่วิเศษอะไรแล้วแกไปค้นของเขาจะขโมยของเขาทําไมความจริงกระผมไม่คิดจะขโมยแต่กระผมต้องการเอาของบางอย่างของผมไปวางไว้ในห้องของเขาแล้วแกลงทําเป็นว่าของหายเมื่อมีการค้นขึ้นจะได้พบที่ห้องของเขาเพื่อต้องการให้คนทั้งหลายรู้ว่าเขาเป็นขโมยแล้วท่านเศรษฐีจะได้ไล่เข้าไป นี่ยิ่งเลวร้ายหนักเข้าไปอีกเศรษฐีพูดแกขโมยของเขาเสียดีกว่าที่จะทำอย่างนั้นมันเป็นวิธีการที่โง่และกราดอย่างยิ่งเป็นการสร้างความเจ็บใจให้เขาตลอดไปแกอย่าทำอีกในเขตถ้าใครรู้เข้าอย่างนี้เขาอาจจะฆ่าแกก็ได้อย่าทำอีกนะจงจำไว้แต่กระผมทำเพื่อน า, นาย ในเขตยืนยันทําเพื่อนายเศรษฐีทวนคําแกคิดจะเอาตัวรอดอยู่เรื่องทําเพื่อนายแกไม่รู้หรอกว่าคนเลี้ยงนกยุงนั่นเป็นนายของเราในเขตงงมากเขาไม่เข้าใจอะไรเลยทําไมท่านเศรษฐีจึงพูดว่าคนคนนั้นเป็นนายของเราเขากําลังจะถามแต่ท่านเศรษฐีพูดเสียก่อนว่า แกจะต้องได้รับโทษในเรื่องนี้รอให้เขากลับมาสิก่อนและเศรษฐีให้เรียกหัวหน้าคนสวนมามอบให้คุมตัวนายเขตไว้ไม่ต้องจองจำแต่ให้หัวหน้าคนสวนคือกาลิคควบคุมอย่าให้หนีไปไหนถ้านายเขตหนีจะเอาโทษแก่หัวหน้าคนสวนอีกด้วยเวทที่มานกเศรษฐีความจริงก็สงสารเห็นใจนายเขตอยู่มาก แต่ความเกรงกลัวพระราชบุตรก็มีมากอยู่ครั้นจะไม่เอาโทษเสียเลยพระราชบุตรทรงทราบความแล้วจะตำหนิได้ว่าเห็นแก่คนของตัวจนละเมิดกฎแห่งความยุติธรรมพระราชบุตรเล่าก็ทรงมีพระเกียรติคุณในทางรักความยุติธรรมทั้งเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมีพระปรีชาสามารถยากที่จะหาพระโอรสแห่งพระเจ้าพินทุสารองค์ใดเสมอเหมือนได้ ข่าวการปราบกบฏนครตากศิลาโดยพระราชบุตรนั้นแพร่สพัดไปทั่วราชอาณาจักรมคตเศรษฐีเองก็ทราบความข้อนั้นความจงรักภักดีเศรษฐีคิดในเขตอ้างเอาความจงรักภักดีเป็นที่ตั้งแต่ความจงรักภักดีที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความโง่เขาจะต้องได้รับโทษเพราะความจงรักภักดีนั้น นายเขตก็มีลักษณะคล้ายคนโง่ทั้งหลายเมื่อจงรักภักดีใครแล้วก็ไม่คำนึงถึงความเหมาะควรไม่คำนึงว่าอะไรผิดอะไรถูกมุ่งจะทำการเพื่อให้ถูกใจนายตามที่ตนคิดซึ่งบางทีก็ถูกใจนายแต่บางทีก็พลาดไปอย่างมากส่วนที่ไม่ถูกใจนายนั้นอย่าพูดถึงเลยแม้ในส่วนที่ถูกใจนาย แต่ถ้ามีผลร้ายเกิดขึ้นภายหลังคนที่จะได้รับเคราะห์กรรมจากนายจากคนทั้งหลายก็คือผู้กระทํานั่นเองอย่านึกว่านายจะยกเอาความจงรักภักดีขึ้นมาพิจารณาแล้วพยายามช่วยเหลือเพราะนายทั่วๆไปจะไม่ช่วยเหลือใครที่นําความเดือดร้อนมาให้ท่านหรือมีเรื่องเสื่อมเสียซึ่งพาดพิงมาถึงท่านยกเว้นานายบางคน นายจะเห็นความจงรักภักดีของบ่าวในกรณีที่การกระทำนั้นก่อให้เกิดผลดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ทำงานเพื่อความจงรักภักดีถ้าทำพลาดจะมีโทษท่วมทับทวีคูณมีบ่อยครั้งที่บุคคลต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะการกระทาผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในทำนองเดียวกัน การทำดีบางอย่างก็ทำให้เขาปลื้มใจไปตลอดชีวิตเช่นกันเมื่อทำดีขอให้ทำให้ถูกความดีจะสนองเองอย่าเอาอารมณ์ตนเป็นเครื่องตัดสินว่าอะไรดีอะไรเลวเรษฐีประกาศให้บริวารชนรวมทั้งทาตและกรรมกรมาประชุมพร้อมกัน นั่นลานปราศาสต์แต่ไม่ได้แจ้งเหตุผลในการนั้นคงให้รอกันอยู่ตัวท่านเองรวมทั้งภรรยาและบุตรธิดาก็มาอยู่ที่ลานปราศาสต์ด้วยมีอาการเหมือนคอยอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะมองไปที่ประตูบ่อยๆทุกคนอยู่ในลักษณะกระวนกระวายไม่ทราบว่าท่านเศรษฐีมีธุระประการใดหรือจะทำโทษนายเขต ให้คนทั้งหลายเห็นเพื่อมิให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปจนกระทั่งเย็นแสงแดดเหลืออยู่น้อยจะมีอยู่บ้างก็เพียงแสงอ่อนๆ อ, อ, นอโศกและสีครินจึงกลับมาเศรษฐีออกไปรับถึงประตูประศาทคุกเข่าลงนเบื้องหน้าทำความเคารพอย่างนอบน้อมประกาศนามของตนสามครั้งตามประเพณีแสดงความเคารพของชาวพรต อาการของท่านเศรษฐีก่อความงุนงงต่อพระราชบุตรเป็นอย่างมากแต่ด้วยความฉลาดคาดเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำสมลักษณะของผู้เป็นนายคนและจอมทัพทรงดมริว่าเรื่องราวของพระองค์คงแตกออกแล้วด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งจึงทรงโน้มพระวรกายลงทรงดึงแขนของท่านเศรษฐีให้ลุกขึ้นด้วยความอ่อนโยน ก่อให้เกิดปิติประโมทแก่เศรษฐียิ่งนักถ้าแต่พระราชบุตรเศรษฐีทูลด้วยเสียงสันเครือระหว่างที่พระองค์เสด็จไปภายนอกนั้นมีเรื่องไม่งามเกิดขึ้นหากพระองค์เห็นควรประการใดก็แล้วแต่จะทรงกรุณาเถิดและเศรษฐีก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดถวายให้ทรงทราบ พ, พระราชบุตรทรงทราบกระแสความทั้งหมดแล้ว แทนที่จะพิโรธในเขตตามที่ท่านเศรษฐีคาดไว้กลับทรงพระสวน น, น้อยแสดงอารมณ์แจม่มใสทรงเหลียวดูสีครินอย่างมีความหมายแล้วให้เบิกตัวในเขตเข้าเฝ้าบริวารชนของท่านเศรษฐีประสบความประหลาดใจอย่างใหญ่หลวงเหมือนตื่นขึ้นเวลาเช้าและเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกช่างหน้าพิศวงอะไรเช่นนั้น ทุกคนแสดงความเคารพตามพระราชประเพณีแห่งถวยราชที่ดีจะพึงปฏิบัติต่อพระราชาแห่งตนนายเขตเข้าเฝ้าด้วยอาการสันเทาเหมือนคนจับไข้หนักพระราชบุตรทอดพระเนตรแล้วให้รู้สึกสงสารอย่างยิ่งรับสั่งเพียงว่าในเขตจงเบาใจเถิดเราไม่เอาโทษเจ้าในครั้งนี้ และขอขอบใจเจ้าที่จงรักภักดีต่อ น, นายสาวของเจ้าแม่เจ้าจะทําความผิดแต่เจตนาของเจ้าก็ทําเพื่อความจงรักภักดีต่อ น, นายตนอย่างไรก็ตามต่อไปอย่าทําเรื่องทํานองนี้อีกไม่ว่ากับใครๆแล้วรับสั่งให้นายเขตกลับไปได้นายเขตรู้สึกตื้นตันในพระมหากรุณาอย่างล้นพ้นเขาหมอบลงแทบ บาทรธมูลแห่งราชบุตรแล้วทูลว่าเทวะความผิดของข้าพระพุทธเจ้าครั้งนี้ใหญ่หลวงนักโทษควรแก่การประหารแต่พระองค์ไม่ทรงเอาโทษนับเป็นพระมหากรุณาอันใหญ่หลวงหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระองค์พระองค์จะทรงพระกรุณาประการใดก็แล้วแต่จะโปรดเถิด ข้าพระพุทธเจ้าขอจงรักพักดีต่อพระองค์ไปตราบเท่าชีวิตหาไม่ขอบใจในเขตเศรษฐีทูลเชิญเสด็จพระราชบุตรและศีครินขึ้นสู่ปราสาทเพื่อเสวยพระกยาหารซึ่งสั่งให้จัดเตรียมไว้อย่างประนีตตนและภรรยาพร้อมได้บุตรธิดาคอยเฝ้าปรณิบัติอย่างใกล้ชิดแต่พระราชบุตรได้เชื้อเชิญให้ท่านเศรษฐีและครอบครัวได้ร่วมโตเสวยด้วย ทีแรกเศรษฐีทูลปฏิเสธอ้างว่าไม่อาจร่วมโต๊ะเสวยได้แต่เมื่อพระราชบุตรทรงยืนยันว่าไม่ยอมเสวยหากเศรษฐีไม่บริโภคด้วยนั่นแหละท่านเศรษฐีจึงยอมมาบริโภคอย่างสงบสงี่ยมเวทิษานั่งตรงข้ามกับพระาชบุตรพอดีเธอรู้สึกสะเทืนอนใจอย่างยิ่งเมื่อรราชบุตรทอดพระเนตรมา รู้สึกอาหารมื้อนั้นช่างฝืดคอเสียจริงๆเธอคิดถึงเรื่องที่ล่วงมาแล้วขันก็ขันอายก็ละอายและคนกันอยู่จนเธอวางสีหน้าไม่ถูกพระราชบุตรตื่นเต้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึงศีกรินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ตลอดเวลาเห็นอะไรก็รู้สึกขันไปเสียหมดพระราชบุตรนั้น ทรงพระประสงค์จะรับสั่งกับเวทิสาเหลือเกินแต่ไม่ทรงทราบว่าจะทรงเริ่มต้นอย่างไรถ้าอยู่กันเพียงลําพังสองคนการเริ่มต้นสนทนากับคนที่รักก็ไม่สู้ยากแต่เมื่อมีคนอื่นอยู่ด้วยดูเป็นเรื่องยากเสียจริงๆทั้งหมดจึงเสวยและบริโภคไปอย่างเงียบๆในความเงียบนั้นทุกคนคิดตรองซึ่งไม่มีใครรู้ว่าใคร คิดอะไรเป็นอย่างนี้เองคนรักกันมักจะเป็นอย่างนี้เสมอเมื่ออยู่ต่อหน้าบุคคลอื่นเรื่องที่จะสนทนากันไม่ค่อยจะมีแต่เมื่ออยู่กันสองต่อสองจึงมีเรื่องมากมายเสียละเกินคําว่ารักเป็นคําที่คําว่ารักเป็นคําที่มีความหมายในทางนุ่มนวลอ่อนหวานเกินเปรียบเมื่อได้พูดต่อหน้าคนอันเป็นที่รัก และถ้ายิ่งขณะนั้นมีความสัมพันธ์ทางกายกันอยู่บ้างด้วยแล้วจะยิ่งมีอนุภาพรัด ร, รึงใจสุดจะประมาณได้